มองย้อนสอนกลับไปด้านในจิตอย่าเพลินคิดเพ้อพกจะตกหลุมใช้สติปัญญามาควบคุมดุดแมงมุมกลุ่มคายหมายระวังธรรมชาติแมงมุมซุ่มตัวเงียบขึงใ ย, ยเรียบ ระไม้คล้ายจอหนังพอขายสั่นมันวิ่งรอกออกจากรังมุ่งตรงยังจุดหมายไข่สะเทือนจัดการเรื่องเสร็จสับกลับที่เดิมหยุดแต่งเติมหลงไหลหาใครเหมือนเฝ้าระวัง ตัวแจไม่แช์เชือนอะไรเยือนฉับพลันรู้ทันใดเปรียบเหมือนจิตกำหนดรู้อยู่เสมอย่อมไม่เผลอยึดมัน่นจนหวั่นไหวรู้ถอนรักหักชังระวังใจรู้ว่าไม่ ใช่ตนหลุดพ้นเอ่ยพระปฏิาพานภูริปัญโยปัจใจที่ทำให้เราเดินทางไปด้วยความเรียบร้อยนะฮะก็เป็นด้วยอำ น, นาจแห่งบุญเ็ว่า วิบากแห่งบุญอันนึงหรือว่าผลของบุญอันหนึ่งก็คือนอกจากจะเรียกว่าความสุขแล้วเนี่ยก็คือความสะดวกสบายค่ะความสะดวกสบายความที่ได้ไปอยู่ในที่ที่เป็นที่สัตยะในการที่จะเจริญสติภาวานานี่ก็เป็นไปด้วยอํานาจแห่งบุญค่ะในขณะเดียวกันเนี่ยการเจริญสติภาวานานที่สืบเนื่องกันมาก็เป็นไปด้วยอํานาจของกุศล ก็คืออํานาจของปัญญาอํานาจของฝ่ายปัญญาเพราะงั้นฝายสติปัญญาที่ช่วยส่งเสริมช่วยสนับสนุนให้เรามีการปฏิบัติที่สืบเนื่องกันไปแล้วก็จะมีพัฒนาการในตัวมันเองดังนั้นการเดินทางครั้งนี้เนี่ยก็จะเป็นทั้งการใช้ใช้บุญแล้วก็ใช้กุศลที่ตัวเองได้ทําไว้นะครับในการเดียวกันเนี่ยก็เป็นไปเพื่อการทําบุญแล้วก็เจริญกุศลเช่นเดียวกันได้ออกไหยฮะ ค่ะบุญและกุศลเนี่ยเป็นทั้งเหตุคือไปสเสวยผลก่อนแล้วก็เอาไปทําเหตุด้วยอ่า <c oughs> เป็นทั้งเหตุทั้งผล <c oughs> เป็นทั้งเหตุทั้งปัจจัยสืบเนื่องกันไปทีนี้เมื่อมาทบทวนกับตัวเองดูแล้วเนี่ยว่าสิ่งที่ตัวเองได้ทําไปบ้างในช่วงกลางของการเดินทางไปหนึ่งเดือนเนี่ยมีอะไรบ้างเนี่ยก็เลยมานั่งดูว่าอในส่วนของการทําบุญเนี่ยในตำ ร, ำราตาราก็เขียนไว้ว่าเรื่องของการ มีบุญกิริยาวัตถุสิทธิ์ใช่ไหมค่ะวัตถุหรือว่าเป็นที่ตั้งแห่งการทำบุญเนี่ยมีสิบอย่างเนี่ยผ ม, มนั่งดูแล้วเนี่ยผมเข้าใจว่าผมทำครบทั้งสิอย่างเลยซึ่งเป็นสิ่งที่จะได้บอกเล่าสู่ญาติธรรมฟังต่อไปเพื่อที่จะได้อานุโมทนาบุญร่วมกันด้วยนะครับอย่างแรกก็คือเลยว่าเรื่องของการทำทานหรือว่าทานทไมก็คือการ ทำบุญด้วยการแบ่งปันสิ่งของการเดินทางครั้งนี้เนี่ยก็ได้จัดเตรียมนะไปซื้อข้าวซื้อของเอามารวมชั้งหยูกยาด้วยเอามาช่วยกันแพ็กใส่ถุงเป็นสังฆทานนะครับอบุคคลในบ้านอเด็กๆก็ช่วยกันมีส่วนแห่งบุญนี้ด้วยนะฮะไปซื้อของมาแล้วก็เอามาจัดใส่ถุงหยูกยาอะไรก็แพ็กใส่ของ ในส่วนของกิ่ง ท, ที่ที่เตรียมไปจากบ้านก็มีอันนี้นอกจากนั้นแล้วเนี่ยก็ยังได้รับจะเรียกว่าฝากทําบุญหรือว่าบริจาคหรืออะไรก็แล้วแต่จากญาติธรรมหลายท่านนะจะเป็นในรูปของไม่ว่าจะเป็นผ้าหม่มอาหารหรือว่าอยู่ยาหรือว่าของใช้นะครับหลายอย่างนะคือรวมทั้งปัจจัยเงินทองด้วยที่ให้เป็นสะพานบุญนะครับก็ได้ทํา หรือว่าถวายพระตามวัดตามวาที่เดินทางไปเนี่ยตลอดเส้นทางจนกระทั่งเรียกว่าหมดเกลี้ยงนะครับก็ <Okay. S 2> เป็นสิ่งที่เรียกว่าเป็นทานอันใหม่คือเป็นการแบ่งพันสิ่งของที่ตัวเองมีอยู่นะครับให้เป็นโยชน์กับผู้ทรงศีลผู้ปฏิบัติธรรมนะครับต่อมาก็คือการทําบุญด้วยกวารรักษาศีลประพฤติดีตรงนี้ก็เป็นสิ่งที่เรียกว่าทําได้อย่าง ยานานต่อนเนื่องนะครับโดยเฉพาะเราก็ไม่ละเมิดซึ่งศีลห้าอยู่แล้วนะครับและในส่วนนี้เนี่ยก็ถือว่าเป็นบุญเช่นเดียวกั น, นครับเพราะบางคนบางท่านเนี่ยก็ยังเข้าใจว่ายังให้น้ําหนักอยู่กับการที่ว่าต้องทําบุญเนี่ยด้วยการที่เราต้องมีเงินมีทองนะครับถึงจะเรียกว่าเป็นการทําบุญต้องเป็นวัตถุสิ่งของแต่จริงๆแล้วถ้าเราพิจารณาดูแล้วเนี่ยจะเห็นว่า ในบุญกิจยาวัตถุสิบเนี่ยมีสิ่งที่ต้องใช้เงินจริงๆเนี่ยมีอยู่แค่อันเดียวคือก็คือเรื่องของขานำใหม่การแบ่งปันสิ่งของเก้าอย่างนี้เนี่ยจริงๆแล้วไม่ต้องอใช้เ ง, เ, เงินเท่าไหร่จริงกไม่เกี่ยวโดยตรงก็ได้คะนะครับลหลังจากนี้ไปเนี่ยล้วนแต่ไม่ต้องใช้เงินนะอ่ะไม่ต้องใช้เงินใช้ใจค่ะในการกระทํากายว่าจจใจของเราในเครื่องมือในการทําบุญนะครับอันต่อไปก็คือเรื่องของการภาวนา ภ า, า, าวนาหม่ก็คือการเจริญสติภาวนาการฝึกอบรมจิตใจฝืนจิตสืนใจเหมือนที่บทกลอนที่ที่ทีนีหน้าได้อ่านไปช่วงต้นนะคะับอ้าวมาท้องกันซะได้สอดคล้องกับสิ่งที่เราทําอยู่เ อ, อไม่ได้เตรียมกันนะคะเนี่ยเป็นอย่างนั้นนะเป็นอย่างนั้นการเจริญสติภาวนาก็เป็นลักษณะเช่นเดียวกันอย่างนั้นก็คือว่าทําให้มีการกระทบทำให้กระเทือนอันต่อไปคือการประพฤติอ่อนน้อม การที่ผมได้ไปในที่ที่ไม่มีใครรู้จักผมเนี่ยค่ะแล้วผมก็ไม่รู้จักใครเนี่ยทําให้เราต้องทําตัวอ่อนน้อมแต่ความการทําตัวอ่อนน้อมนั้นเนี่ยไม่ได้หวังเพื่อประโยชน์ของตัวเราเองบางทีเราประพฤตอ่อนน้อมเพื่อหวังประโยชน์จากผู้อื่นเคือคืออยากได้ประโยชน์นั้นะจึงต้องทําตัวอ่อนอ่อนไปในการเดินทางเนี่ยเราไม่รู้จักใคร ลุงป่านะอาคุณตาคุณยายที่ไหนเราก็สามารถที่จะอ่อนน้อมได้ด้วยใจที่อ่อนน้อมอ่อนโยนจริงๆครูบาอาจารย์กับอะไรเนี่ยเรารู้สึกได้ว่าไอ้ตัวเขาเรียกว่าตัวทิฏฐิมานาของเราเนี่ยแมมันมันช่างน่ารักจริงๆมันไม่เหมือนครับการที่เรามาอยู่ข้างนอกนะบางทีบทละครที่เราสวมใส่อยู่เนี่ยมันก็ทาให้เราเพลิดเพลินไปกับมันได้ค่ะ การที่เราไปโดยที่ไม่รู้จักใครเราไม่ได้เป็นหมอเราเป็นคนธรรมดาธรรมดานะครับ <c oughs> เรามามยกมือไหว้พูดคุยกับเขาด้วยความอ่อน <c oughs> น้อมกับการปฏิบัติด้วยความนุ่มนวนอ่อนโยนเนี่ยเพราะว่ามันดีเนี่ยมันดีแล้วบุคลิกของคุณหมอได้นะคะท <c oughs> าไมบอกว่าเป็นหมอเนี่ยจ้างให้ก็ไม่มีใครเชื่อได้ แ, ล ะ, แ ล, ะละครับต่อไปก็คือเรื่องของการช่วยขวนขวายรับใช้ในกิจอันชอบทั้งหลายคเนี่ยนี่ก็เป็นบุญนไป ปฏิบัติทำคราวนี้นี่ก็เรียกว่าเลยทำหน้าที่หลายอย่างนะครับการปฏิบัติโดยการไปฝึกทุกอย่างเมื่อจะไปเจริญสติเนี่ยไปเจริญสติกับการกวาดวัดนะกวาดทั้งวัดหรือว่ากวาดครึ่งวัดกวาดทุกวันอะไรอย่างี้นะการทำความสะอาดห้องน้ำห้องท่าการช่วยขวนขวายในคิดอื่นๆที่เรียกว่าเป็นบุญเป็นบุศสเนี่ยเมื่อมีโอกาสเราก็ได้ทา ตรงนี้ก็เป็นบุญเหมือนกันมันจะเป็นบุญหรือเปล่าเนี่ยมันอยู่ที่ใจของเรานะมันอยู่ที่ใจของเราจริงๆเลยว่าใจของเราเนี่ยมันว่างพอที่มันจะเป็นบุญไหมถ้ามันหมกมุ่นวุ่นวายอยู่เนี่ยทําบุญมันก็ไม่คือบุญนะครับค่ะและในขณะเดียวกันถ้าหากเราไม่ได้มีตั้งเป้าที่เราจะได้อะไรจากในกิจที่ทํานั้นผมว่ามันจะเป็นบุญล้วนๆจริงๆค่ะไม่ได้อ้อนวอนขอร้องว่าอ๋อนี่มันเป็นบุญนะไม่ต้องมานั่งทบทวนโอ้นี่เราทําเพื่อเราที่จะได้บุญอะไรอย่างงี้ยค่ะ เราทำดีเพราะว่ามันเป็นความดีอย่างนี้ยครับผมว่ามันบริสุทธิ์ใจแล้ววิธีนะคิดนี้เนี่ยอยากจะขยายวงให้กระเพื่อมกว้างออกไปด้วยนะคะครับช่วยๆกันนะคะเพื่อนๆที่ติดตามรับฟังรายการอยู่มั น, นช่วยเป็นแนวร่วมด้วยทำสิ่งที่ดีเพราะว่ามันเป็นความดีค่ะนะครับเราก็ไม่ได้ขวนขวายไม่ได้ตั้งใจที่ว่าจะให้มันได้รับผลอะไรขึ้นมาทำดีโดยไม่หวังผลตอ บ, บแทนนะคะค จริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นการแฝงเข้ามาในรูปของการเจริญสติมากกว่าพี่จินนี้นะเพราะจริงๆแล้วสิ่งที่เราทําเนี่ยมันมีกายเคลื่อนไหวมีมีการกําหนดรู้มันมีการระลึกรู้มีการดูทิปดูกายของเราอยู่ตลอดเวลาเนี่ยสิ่งที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันเป็นทั้งบุญทั้งกุศลในตัวมันเองค่ะนั่นเราไม่ต้องไปอ้อนวอนขอร้องหรือว่าโอ้มันต้องเป็นอย่างนั้นมันต้องเป็นอย่างนี้อยากให้เป็นอย่างนั้นอยากให้จะเป็นอย่างนี้ค่ะมันสําเร็จได้ด้วยตัวมันเอง Mm hmm. แล้วในขณะเดียกันความชุ่มเย็นความอิ่มเ อ, อิบเปิบบานใจของเรากวาดพื้นไปนะครับหันกลับมามองดูโอ้มันสะอาดหูสะอาดตาคนอื่นเดินมาเห็นเขาก็โอ้มันสะอาดหูสะอาดตาวัดว่าดูน่ารื่นรมนะ่ะอันนี้ก็เป็นบุญหลายต่อนะครับขัดห้องน้ําไปห้องส้วมไปโอ้เมื่อกีมมันเหม็นเมื่อกี้มันสโครกมีครับเพียงแล้วโอ้เห็นแล้วมันน่าถ่ายเนาะ <c oughs> เราเห็นเราก็ยัง <c oughs> ก็เรียกว่าอิ่มบุญไปนในตัวค่ะ <c oughs> คนอื่นมาใช้เขาก็โอ้วัดไม่สโปรกหน้ามาใช้บริการค่ะนะอย่างนี้เป็นต้นนี่ก็เป็นบุญแล้วะนอกจากนั้นแล้วเนี่ยเรายังเฉลี่ยส่วนบุญของเราเนี่ยให้กับผู้อื่นด้วยพี่สี่นี่น้ารู้สึกว่ากินอิ่มนอนหลับดีไหมฮะอ๋อแผ่เมตตาแผ่ส่วนกุศลมาให้ด้วยหรือไงใช่ใเอ๊แต่รู้สึกกินไม่ค่อยอิ่มเท่าไหร่นะคะแล้วแถมยังเจ็บตัวอีกก็ทุกครั้งนะะที่ได้มีโอกาสทำการทำบุญที่ได้ มีการอปกติพระท่านก็จะสวดมนต์ให้พอนะครับเราก็จะนึกถึงผู้ที่มีส่วนแห่งบุญนี้นึกถึงทุกครั้งที่เราทําความดีก่อนนอนทุกครั้งเราก็จะนึกถึงบุญที่เราได้ทําไว้คค่ะแล้วก็ส่งบุญนี้ให้กับผู้อื่นผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งผู้ที่มีชีวิตอยู่และไม่มีชีวิตอยู่คข้างในภพนี้แล้วก็ภพอื่นๆออืนะครับซึ่งอันนี้เนี่ยมันเป็นส่วนบุญที่เราได้ทําด้วยความบริสุทธิ์ใจจริงๆเป็นการเจริญจิตให้เป็นกุศลอย่าง ครบวงจรว่างั้นเถอะครับนะคะดังนั้นก็เป็นการส่งด้วยใจที่เรียกว่าบริสุทธิ์ด้วยความปรารถนาดีราดจริง ๆ, ๆนะครับ่ะหังจากนั้นแล้วเนี่ยเรายังเห็นคนอื่นมาทำบุญอีกนะฮะค่ะมีคนมาทำบุญมาตักบาตรโดยเฉพาะช่วงท้ายเนี่ยผมไปนอนอยู่ที่หน้าวัดป่าบ้านตาดคืนหนึ่งค่ะของหลวงต า, มาหมาบัวเนี่ยค่ะตอนเช้ามาเนี่ยผมแทบจะโอ้โหหน้าทึ่งนะ ก่อนเช้าเงียบสงบมากเลยค่ะเราว่ารถลาสักคันก็แทบจะไม่มีพอประมาณสักใกล้ๆแปดโมงเนี่ยโอ้รถเต็มไปหมดเลยครัี่ชินิณ่าชาวบ้านมาใส่บาทจะว่าชาวบ้านหรือเปล่าก็เป็นคนที่มีรถครับพี่จากในเมืองแหละฮะก็คือผู้คนจากไกลๆไม่ใช่ชาวบ้านในละแวกพื้นที่อะนะคะถ้ามาด้รถชาวบ้านก็พอมีอยู่บ้างแต่ว่าคนเยอะแล้วเป็นผู้ที่เดินทางมาด้วยรถเงิน่ะจอดรถเป๊ะไปหมด ทำบุญกันโอ้ยเลยแม่ตาชื่นบานโอ้มันเป็นบรรยากาศบุญจริงๆเลยอ่าก็ได้อนุโมทนายินดีแต่กับเขาด้วยอันนี้ก็เป็นบุญล้วฮะค่ะอันนี้ก็เป็นบุญแหละแต่ถ้าใครทําบุญเห็นคนอื่นทําบุญก็สาธุสาธุเราหวังว่าจะได้ผลบุญเนี่ยผมว่ามันไม่ค่อยได้เท่าไหร่เพราะว่าใจมันอยากได้บุญก็เลยอนุโมทนาเขาควรจะยินดีแต่ไม่จําเป็นต้องหวังผลเหมือนกันใช่ไหมครับคือยินดีมันต้องยินดีจากใจจริงๆนะค่ะ๋ยว มันเป็นความปลื้มปิติจากใจที่เห็นสภาพของการทำความดีอันนั้นจริงๆเนี่ยผมเข้าใจว่านั่นคือจะเกิดบุญจริงๆเรียกว่าไม่ได้สาธุแต่ปากใช่ไหมคะบางคนจะติดปากนะคะสาธุไปเรื่อยตะพึดเลย แต่ใจจริงนั้นยินดีแค่ไหนนั้นยังตอบไม่ได้เหมือนกันถ้าใจยังมิตกกังวลเศร้าหมองอยู่ค่ะยังมีความอิจฉาริสยามีความยินดียินร้ายอยู่ในขนาดนั้นเนี่ยจะสาธุยังไงผมก็ไม่เต็มร้อยกระพร่องกระแพงอะนะเป็นบุญที่มันด่ากมันพลอยในตัวมันเองะการทําจิตให้เป็นกุศลให้ถึงพร้อมนี่ก็ไม่ง่ายนะคะดีใจจริงๆเลยว่ดด้วยศาสตร์ของใจเนี่ยฮะก็เลยได้บุญข้อนี้ไปด้วย น, ะะนอกจากนั้นแล้วเนี่ยยังได้ฟังธรรมอีกค่ะยังได้ฟังธรรมจุดแรกเลยที่ไปเนี่ยก็คือวัดของหลวงปู่ทาค่ะจารุธรมโมที่ปากช่องโคราชเนี่ยครับอ๋ออครับก็ได้ฟังธรรมท่านเล็กๆน้อยๆค่ะแล้วบอที่ท่านพูดเขยก็มีหลายอย่างแต่ที่สะดุดหูก็คือว่าโ อ, โอ้ไปนิพพานเนะี่ยมันยากค่ะไปนิพพานนี่มันยากท่านบอกว่าเอาเส้นผมเนี่ยมาผ่าเันเจ็ดส่วน แล้วเอาส่วนหนึ่งเนี่ยจะแย่ก็เป็นในรูนิพพานในทางนิพพานเนี่ยยังยากนะฮะนอกจอากนั้นแล้วเนี่ยพระที่อุู่ประทักนเนี่ยยังบอกว่าโอ้เอาอีกส่วนหนึ่งหนึ่งในเจ็ดนั่นแหละมาผ่าอีกเจ็ดส่วนอืมนะเราอีกส่วนหนึ่งในอะรแบบหนึ่งในเจ็ดหนึ่งในเจ็ดอันนั้นเน่ะเป็นทางไปพระนิพพานยังยากเลยเท่านั้นแล้วฟังละท้อถอยเลยค่ะ <c oughs> ก็มีส่วนทั้งท้อถอยแล้วมีส่วนทั้งพยายามกระตุ้นความเทียง เป็นได้ทั้งสองอย่างทำไมคะถึงกระตุ้นขึ้นคือที่เรียกว่าฮึดนะแต่บางส่วนก็มันท้อถอยก็มีโอ้มันยากจริงเนาะยากก็จะยากมากอะไรอย่างเงี้นะแต่ว่าไม่ว่ามันจะยากมันจะลำบากมันขนาดไหนเส้นทางเดินทางหมื่นไมล์หมื่นกิโลมันก็ขึ้นอยู่กับเก้าปัจจุบันเนี่ยครับดังนั้นพระนิพพานก็อยู่ที่เก้าปัจจุบันนี่เอง ถ้าไม่เริ่มก้าวตั้งแต่ต อ, ตอนนี้ก็ยากที่จะถึงได้นะคะครับเพราะนั้นการที่เราเริ่มต้นอยู่กับปัจจุบันได้เนี่ยก้าวที่เรียก ว, ว่าอยู่บนเส้นทางที่ไปสู่พระนิพพานค่ะไม่ว่ามันจะยุ่งยากไม่ว่ามันจะลำบาก <n> ขนาดไหนก็จะไปละมันกลมันจะใกล้อย่างไงเนี่ยมันอยู่ที่การมีส ต, ติเรื่องรู้ปัจจุบันรธรรมนี่ครั บ, ร, บรู้กายรู้ใจศึกษากายศึกษาใจอบรมจิตอบรมใจข อ, องเราให้ปล่อยวางไปเรื่อยๆเรื่อยค่ะ มันจะยากขนาดไหนก็ต้องทำก็ต้งองร้องกันไปก็ต้องรองกันไป